อาการของนิวรณ์ทั้งหลายซึ่งเคยกลุ้มรุมใจสร้างความวุนว่นวห้เกิดขึ้นกับจิตใจได้สงบลงไปเราเรียกอาการเหล่านี้ว่าเป็นสมาชิคือจิตใจที่มีความตั้งมั่นเมื่อดูสภาพจิตในขณะนั้นก็จะเห็นว่ากิเลสไม่ปรากฏภายในจิตแต่ที่จริงแล้วเป็นลักษณะของการตกตะกอน การหลุดพ้นระดับนี้ท่านึงใช้คำว่าวิคัมปะนะวิมุตตคือหลุดพ้นและการกดไว้ข่มไว้หรือปิดไว้พุกิเลส เ, เหล่านั้นยังมีสมบูรณ์ด้เวลาฌานเสื่อมไปหรือผลก็งสมาธิเสื่อมไปอาการว่าเขาจะปรากฏออกมาและบางคนบางครั้งก็อาจจะรุนแรงกว่าเดิมโดยซ้ำไป แต่ยิงไม่ถือว่าเป็นการหลุดพ้นที่แน่นอนแต่ว่าเป็นทางผ่านที่จะต้องผ่านในตรงนี้ที่ท่านเรียงเอาไว้เป็นรูปของศีลสมาธิปัญญาคนนี้ท่านสายชนทั้งหลายจะสังเกตว่าในโอวาทปาติโก๊กที่เราพูดถึงความเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราวพูดถึงข้อความสั้น ว่าการไม่ทาบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ป่องแผ้วนั้นที่จริงแล้วก็คือหลักการปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิ ป, ปัญญาการไม่ทำบาปหมายถึงการงดเว้นบาปไปถามว่าบาปแสดงออกมาทางไหนแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจ มันก็จากความคิดที่เป็นบาปแต่การที่มีความคิดที่เป็นบาปเกิดมาได้มันก็ต้องอาศัยเชื้อบาปที่มีอยู่ภายในใจให้คิดแตะถ้าหากว่าไม่มีเชื้อบาปความคิดก็จะไม่มีที่เป็นบาปภายในจิตใจของเราจึงมีเชื้อหรือมีาธาตุของกิเลสหรือของบาปอกุศลต่างๆเป็นนั่นมาก แต่มันเองไม่ใช่เป็นตัวจิตพระเจ้าทรงใช้คำว่าอาคารตูกะคือสิ่งที่แปลกปลอมมาหรือสิ่งที่จอดมาและมีเงื่อนไขปัจจัยให้เกิดปุงจิตมันก็เกิดขึ้นพอเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันสลายไปมันก็สลายไปตามคนนี้เพสังกือสังเก ต, เกตว่าเช่นจิตในแง่ของความเป็นจริงแล้วภายในใจเรามีเชื้อของโทสะคือเชื้อของความโกรธอยู่ มีอยู่อย่างนั้นตลอดผ่านพสชาติต่างๆมาเปน็นรวยนานเราก็มีเชื้อของความโกรธความโลคความหลมงโฉมแต่ถ้าเราดูที่ใจเราว่าเราโลคตลอดโกรธตลอดหลงตลอดหรือไม่ก็แสดงว่าไม่ยังจะมีเหตุปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโลคความโลกก็เกิดขึ้นมาแต่ในจุดนี้เองถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเราอาจจะมีเมตตาเราอาจจะมีปัญญาเราอาจจะมีสติที่มีกาลังมากกว่า วความโลภเหล่านั้นก็จะถูกควบคุมเอาไว้ปัญหาว่ากําลังของธรรมะมันมีขนาดไหนการคุมอาการของความโลภบางอย่างจึงคุมแค่ไม่ไปล่วงเกินสิทธิในทรัพย์สินในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือไม่สั่งไม่ใช้ไอ้คนอื่นไปล่วงเกินในทรัพย์สินของคนทั้งหลาย ก็แสดงว่ามันก็คุมได้ระดับกายกับระดับปัาจจัแต่ใจเองก็อาจจะมีความโลภอยู่หรือบางครั้งบางคราวไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในจุดนั้นในปริมาณขนาดนั้นจำนวนขนาดนั้นแล้วเราก็จะพบว่าทามันเกิดตัว ก, กระตุ้นข้างนอกแรง เช่นสมมติว่าเราเห็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทไม่โลกสองหมื่นสา4หมื่ี่หมื่จิตจะเริ่มแปรผันไปตามจำนวนเงินพอขึ้นสูงขึ้นได้เรื่อยเนี่ยจิตก็จะสูญเสียการส่งตัวมันก็ทำนองคล้ายๆกับ ร, รับน้ำหนักไม่ไหวน้ำหนักระดับหนึ่งก็รับได้พอน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งเราก็เสียการส่งตัวแล้วอาจจะหกล้มลงไป ท่านใช้คำว่าความโลภท่วมทับความโกรธท่วมทับความรลงท่วมทับสิ่งที่ท่วมทับนั้นมีความเป็นรูปธรรมเป็นการสะท้อนสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมอาการท่วมทับสแสดงว่าเราสูญเสียความอิสระท่วมเราก็สูญเสียความอิสระทับเราก็สูญเสียความอิสระวันกิเลสที่เกิดขึ้นท่วมทับใจ ใจก็สูญเสียความเป็นอิสระไม่สามารถที่จะทรงตัวเองอยู่ได้มนก็เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปทํามกระแสะของกิเลสตอนนั้นถึงบางครั้งอาจจะท้องทำบาปการทาบาปมันก็แรงขึ้นได้บางทีก็ทําด้วยกายบางทีก็ทำด้วยวาจาบางทีก็ทำด้วยใจบางทีเอาหมดเลยนั้นก็หมายความว่าถูกอาการของกิเลสท่วมทับ แต่ถามว่าตอนเนื่องหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่ามันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยที่จะกระตุ้นความรุนแรงหรือไม่รุนแรงไม่แต่เรื่องโทสะยกตัวอย่างเราเกิดโทสะแล้วก็ด่าใครคนใดคนหนึ่งครับคดนั้นเขาเกิดสำนึกขอขมาโทษยกมือไหวแสดงความสำนึกผิด ตั้งใจจะด่าตั้งเยอะเลยหายไปเพราะเหตุปัจจัยที่กระตุ้นให้ด่ามันถูกทําลายลงการด่าก็ยุติบางทีอาจจะเงื้อมืออยู่ด้วยมือก็ไม่ได้ทําอะไรปากว่าไปแล้วแต่บางคราวบางคราวเราจะพบว่าพอเราด่าเข้าไปเขาก็ด่าออกมาเราจะด่าแรงกว่ามันก็ให้เหตุปัจจัยของกันและกันความรุนแรงจึงไม่อยู่ที่ด่าแต่มันจะออกมาในการใช้ ใช้มือใช้อาวุธใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆมางครั้างครา ว, าราวก็จนถึงบาดเจ็บตรงตายกันโดยเนื่อว่าอาการเหล่านี้มั น, มนเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ตัวการสําคัญจริงๆคือวยใจเรามันมีเชื่ออยู่ถ้าใจไม่มีเชือ้อแม้จะมีการด่าแม้จะมีการว่าแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นมากระตุน้นให้เกิดความรักความชังความรักความชัง ม, ม, ม, มันก็ไม่เกิดทัทง้งๆที่เรามีเชื่อ แต่ว่าเชื่อสายนั้นไม่มีจะสมมติว่าสิ่งของอย่างหนึ่งมันมีค่าแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีค่าเรายังเข้าขความโลภของก็ไม่เกิดจะถามว่าทําไมความโลภไม่เกิดก็เพราะเราไม่รู้ไม่รู้คุณค่าของมันตัวนั้นมันก็มีจะพาะโมฆะหรือความความไม่รู้หรือความหลง แต่พอมีการชี้แจงมีการอาธิบายมีการบอกกล่าวผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาพอสมควรเราเกิดความพอใจในสิ่งเหล่านั้นอาการของความโลภ ก, ก็เริ่มเกิดขึ้นโดยลําดับแราถามว่าเกิดแรงไหมถ้าไม่แรงมันก็ไม่ถึงกระทาชั่วอะไรว่าจะเกิดเฉพาะภายในใจก็แสดงว่าบาปก็เกิดขึ้นเฉพาะใจเท่านั้นในขณะนั้น แต่ถ้าความโลภมันเกิดแรงก็อาจจะออกมาโดยการซื้อโดยการขอโดยการฉก ช, ชิงวิ่งราวทำเป็นต้นก็ตามแต่ความรุนแรงของกิเลสต่านั้นากาโวลเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาคุมอยู่ภายในใจเราแต่บางครั้งไม่มีเหตุปัจจัยให้โกรธ หรือปัจจัยนั้นถูกบันทอนถูกตัดรอนลงไปมันก็ลดเกิดขึ้นแล้วมันก็ลดแล้วก็ดับไปเราจึงเห็นว่าบาปมันขึ้นขนลงลงภายในใจการทําจิตใจให้บาปจางไปลดไปถอยไปทรงอุปมาในลักษณะต่างๆเป็นรูปฝุน่นเป็นรูปทุลีเป็นรูปฝนตรงเป็นรูปสนิม ซึ่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมพิธียีเบศของนคนโดยทั่วไปก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ว่าภาชนะเหล็ดภาชนะทองเหลืองภาชนะสำเร็ดอะไรต่างๆต่างๆก็ตามที่มันเกิดส น, นิมเราก็รู้ว่าใช้งานไม่ได้ตามที่เราต้องการภาชนะที่แปดเปื้อนเราก็ใช้งานไม่ได้จะทํำยังไงจึงจะใช้ได้มันก็ต้องขัดถ้าสนิมจับมาก ถ้าฝุนละอองจับมามันก็ต้องขัดแรงๆต้องขัดนานๆขัดแล้วขัดอีกขัดไปก็ดูไปมีการตรวจสอบไปตรงไหนเรียบร้อยแล้วก็ขัดส่วนอื่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความสะอาดพิจัจก็เราเองก็มีลักษณะอย่างนี้นมันมีธาตุี่ขอให้เกิดสนิมอยู่ เป็นจิตใจที่ใช้งานไม่ได้จิตที่ริษยาจิตที่อาฆาตจิตที่แข็งดีจิตที่คิดเบียดเบียนจิตที่โลภจัดโกรธจัดหลงจัดมันก็เหมือนกับภาชนะที่เป็นสนิมมันใช้งานไม่ได้คนเหล่านี้ไปยุ่งไปอยู่ร่วมคนอื่นมาสร้างปัญหาแม้จะอยู่ด้วยตัวเองก็หาความสงบไม่ได้อาจารย์ก็สอนให้แก้ที่ตัวเอง บะกรรมังคบบ า, งาพระเจ้าทรงสอนที่เป็นรูปธป ร, รรมในขณะที่ประทับนั่งแสดงธรรมพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนแล้วคนก็มองตัวเหตุปัจจัยภายนอกไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนันกันด้วยประการต่างๆแต่ปัญหามันก็ไม่ลดลงปัญหาก็คงมีอยู่บางทีก็เพิ่มขึ้นทรงชี้ให้ผู้ฟังในที่ั้นดูสุนัขหรือขี้เรือนตัวหนึง่งซึ่งกลับบงวิ่ง แล้วก็ไปนอนแล้วก็เกาเกาแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งแล้วก็ไปนอนที่อื่นแล้วก็ต้องเกาอีกแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งอีกพื่อจะทรงชี้ดูว่าสุนัขตัวนี้เข้าใจว่าสถ า, านที่ตรงนั้นมันคันเมื่อไปนอนแล้วยังรู้สึกว่าคันก็เลยต้องย้ายที่นอนไปเรื่อยๆแต่สุนัขไม่รู้ว่มันคันที่ตัวของเขาเองที่โรคเรือนที่มีอยู่ที่ผิวหนงังของเขาเอง ตรบใดที่โรเรือนตรงนั้นยังไม่หายไปเขาจะนอนที่ไหนเขาก็ต้องคันที่เตียงของเราก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งสตรบใดที่ภายในใจยังมีปัญหาเราจะเกี่ยวข้องกับคนกับอารมณ์กับสิ่งต่างๆยังไงก็ตามถ้ายังไม่ได้แก้ที่ใจเราก็คงมีปัญหาอยู่ที่ใจแต่การทำด้วยเวลาที่รวดเร็วมันก็ทำไม่ได้ เพราะจริงๆเราเกิดมากับเขาตัณหาทำให้เราเกิดมาแล้วอยู่กับเขาวิถีชีวิตมันก็เกี่ยวข้องกับกิบกเลสอยู่ตลอดเพราะระดับโลกมันก็มีกิเลสไม่ใช่ว่าหมดกิเลสเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนลักษณะลดบาประดับที่กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของตนเองต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ถึงถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะให้เกิดผลที่เป็นบาปนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนําความเดือดร้อนมาสู่บุคคลที่เกี่ยวข้องนําความเดือดร้อนไปสู่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แล้วความเดือดร้อนเหล่านั้น ก, ก็จะตามตนไปแม้ในภพชาติต่างๆคือชีวิตหลังตายอย่ากให้ทรงแส ด, แดงแล้วก็มีตัวอย่างบุคคลให้ดูในยุคนในสมัยนั้นทรงประรบถึงคนที่ทําบาป ฆ่าสัตว์ต่อเนื่องยาวนานด้วยวิธีการที่ทารุณโหดไร้ก่อนจะตายนั้นประสบความทุกข์ทรมานร้องโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดอยู่ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันเป็นที่สนใจของบุคคลหลายพระเองก็สนใจในเรื่องนั้นท่านเหล่านั้นรู้อดีตประวัติของคนนั้นแล้วก็รู้เห็นในปัจจุบันของคนนั้นว่าทุกข์ทรมานอย่างไง เวลาอนาคตคือหลังตายไปแล้วท่านไม่รู้พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงเหตุที่มาของความเราร้อนคือบาปแต่ถามว่าบาปมันมาจากอะไรมาจากกิเลสกิเลสมาจากอะไรมาจาก โ, กโรคปวดหลง โ, ลโรโกวดหลงมาจากอะไรมาจากอวิชชานั่นคือตัวสาเหตุจริงตัวรากแก้วจริ ง, รงๆก็มาจากตัวอวิชชาทั้งคำว่าบาปได้แก่กิเลสที่ทาปฏิกิริยาต่อจิตแล้ว ปรุงจิตให้คิดปรุงให้ปรุงคิดออกมาแล้วมีการกระทําหรือมีการพูดออกไปหรือแม้แต่คิดเฉยๆก็เริ่มบาปกันตรงนั้นทรงแสดงว่าบุคคลที่ทําบาปเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนขเขาาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าเราได้ทําบาปเอาไว้บาปที่เราทําแม้แต่เหนียวนึกตึกๆึกเองโดยไม่มีใครรู้เห็นก็ ร้อนแล้วไม่ความสงบและที่ท่านเรียกว่าวิปัสาสันคือความไม่สบายใจความเดือดร้อนใจความมีตกกังวลความบาดระแวงกลัวการโจด ท, ท่วงกลัวการจับกลุมคุ่มขังกลัวการลงโทษกลัวภัยในรักเป็นต้นก็มีเรื่องให้กลัวอีกมากมายตัวปัญหาจริงๆก็คือมาจากการถูกครอบงําด้วยกิเลสแล้วก็คิดออกไปทําออกไปพูดออกไปที่เป็นบาปโดยเฉพาะที่ทําที่พูดเพราะแนวการขัด การไม่ทำบาปทั้งปวงในตอนตน้นมันไม่ใช่ทั้งปวงแต่ว่าค่อยๆทำไปจนกว่าจะเป็นทั้งปวง <c oughs> ก็ทำนองขัดภาชนะทองเหลืองอย่างที่ว่าแต่มันขัดสนิมไปให้สะอาดทั้งภาชนะแต่ถามว่าขัดว่าเดียวได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ขัดไปดูไปขัดไปดูไปตรงไหนสนิมมากก็ขัดแรงหน่อยตรง น, นี้สนิมน้อยหน่อยก็ขัดเบาๆหน่อยมันก็รู้วิธีการขัด เราขัดเองเราดูเองเราตรวจสอบเองเราใช้ภาชนะเหล่านั้นเองเป็นเรื่องความรับผิดชอบเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมสิ่งเหล่านั้นปรากฏแก่จิตของคนที่ทำเท่า น, นั้นเองมันก็ทํานองประวัติศาสตร์สระพัดส่วนอื่นเช่นเรากินอาหารรสชาติเป็นยังไงเราก็รู้ของเราโดยตัว ข, ของเราเอง ผมก็ต่อมาปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นกิเลส จ, จางไปคลายไปบรรเทาไปมากน้อยแค่ไหนเป็นไรเป็นเรื่องที่เรารู้ที่ตั้งใช้คำว่าปัจจตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตัวเองเมื่อบาดจางไปคลายไประดับแรงๆระดับที่เป็นอาญา ก, กรรมถึงถ้าเราเรียนเป็นรูปของสิกขาบทตามที่พระเจ้าทรงมาดัดไว้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าสีข้อแรกศีล ส, สีข้อแรกที่เราสมาทานกันเป็นบาปสากลเป็นความผิดสากบหมายความว่าใครจะทำในส่วนใดของโลกก็ตามทำเมื่อไรก็ตามนก็บาป ท, ทั้นั้นไม่จาเป็นว่าจ้องต้องเป็นพุทธศาสนิกชนการมระทุศน ร, ร้แต่ร่างกายต่อชีวิตต่อผู้ครองคนอื่นการโกหกหลอกลวงคนอื่นเป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นบาปสากล สุรานั้นไม่ถึงก็เป็นบาปสากลแต่เป็นอบายจมุกเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่ว่าเป็นเหตุให้กระทําบาปเมื่อขาดสติเพราะการเมาสุราที่ท่านเรียกว่าประมาทฐานคืออยู่ในจุดที่ให้เกิดความประมาทความขาดสติความเผลอเรอความพลั้งพลาดความหลงลืมโดยประการต่างๆแต่ต่อไปนั้นจะไม่เป็นบาปสากลแล้ว มันเป็นเรื่องต้องการควบคุมความรู้สึกในทางเพศเพราะสิ่ข้อที่สามมาเกิดเปลี่ยนเป็นอรรัพรัมสิ่ข้อการเมนั้นมีเพศสัมพันธ์ได้สิ่ข้ออัพ ร, รัมมีไม่ได้เป็นการปฏิบัติในแนวที่เรียกว่าพรหมจรรย์คือชีวิตที่ประเสริฐยกระดับจิตตัวเองให้สูงกว่าสามัญช น, นออทั่วไป เต๋อที่จริงแล้วเป็นการตัดตัวเหตุปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการมาราคษาการบริโภคอาหารในเวลาวิการก็ดีการขว้างนำขับร้องประพรมนุน่นีดิดิดีที่เปล่าก็ดีการประดับประดาตกแต่งร่างกายโดยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมก็ถาก็ดีและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภ า, ายในมีนุ่นในือสำลีก็ดีนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้บาป ก, กรรมอะไรแต่ว่าเราต้องการให้ถึงใจ หมาความว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจะกระตุ้นให้เกิดการมาราคะมีความกำนัดรักไข่ในรูปในเตัวในดินในรสในสัมผัสที่น่าใคร่ในปราทศนาน้าพอใจก็ตัดกระแสเป็นเสีย่ยสำนวนทางศาสนาท่านนี้ว่าชักสะพานเฉไม่ชักสะพานมันก็เดินไปได้เป็นการตัดที่มาของความใคร่หมาความมาไม่ให้ปัจจัยแก่สิ่งเหล่านั้นคล้ายกับไฟเราไม่ให้เชือ้อ ไว้มันจะมอดลงไปแต่ถามว่าบาปสากลไหมบาปไม่สากลบาปเฉพาะคนที่ตั้งใจมันเป็นอาการของมโนทุจริตต้องป้องกันจริงๆป้องกันระดับมโนทุจริตหมายความมันเป็นการเตรียมจิตเพื่อจะเพิ่มกุศลให้สูงขึ้นที่จริงแล้วการละบาปตั้งปูงนั้นก็คือการเพิ่มกุศลนั่นเอง มันก็เหมือนการเปิดไฟก็คือการลดความมืดนั่นเองนอกจากการให้แสงสว่างแล้วไปเป็นการสอนระดับที่เรียกว่าเป็นอุดมการคือจุดหมายสูงสุดแต่เราก็ต้องยอนความจริงว่าในความสูงสุดนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนไปถึงได้น้อยการวิ่งแข่งม า, าราธอนคนเต็มถนนถึงจุดหมายปลายทางไม่กี่คน การเรียนหนังสือภาคปฐมเต็มไปหมดเด็กทุกคนต้องเรียนภาคบังคับมอนป .1 ถึงป .6 พอขึ้นไปมันก็แหลมขึ้นแหลมขึ้นแบบยอดเจดดีพอถึงปัญญาเอกก็มีเหลือไม่กี่คนคนเป็นล้านๆที่ามาเรียนตรงนี้ถ้าบทโผลไปที่ปัญญาเอกมีไม่กี่คนการปฏิบัติเองก็มีลักษณะอย่า ง, งนี้คนศึกษาทำปฏิบัติธรรมมากมายกายกอง แต่คนที่บรรลุว่าคุนเป็นพระหานมีไมกี่คนดังนั้นจึงทรงสอนระดับอุดมการณ์แต่ให้เดินบนเส้นทางที่จะบรรลุอุดมการณ์ตรงนั้นอย่ออกนอกทางดังนั้นเวลาเรียกศีลสมาธิปัญญาและเรียกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลในสบวงการนำจิตของแผ้วในกรณีอื่นก็ทรงเรียกว่าอาริยมรรค มีองค์แปดประการแปลว่าข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกแปดประการได้กันมันจะแปประการมีองค์ประกอบแปดประการได้กันเรียกสั้นๆว่าอริยมรคแปลว่าทางดำเนินของพระอริยะทางดำเนินเพื่อความเป็นอริยะทางดำเนินของผู้ประเสริฐมันบ่งบอกเห็นทางอื่นทางตรงกันข้ามก็คือทางดาเนินของคนเลว ในมงคลลสูตรก็ทรงบอกไว้ใช้เป็นรูปคนการไม่คบผ่านการครบบัณฑิตผ่านก็คือคนเดินไปนอกทางของพระอริยะบัณฑิตก็คือคนเดินบนเส้นทางของพระอริยะการศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือเดินไปตามทางของพระอริยะมีพระุ้ต่เจ้าเป็นตนพระเจ้าก็บรรลุมรรผลจักสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยอริยมรร พระนทั้งหลายพระเจคุทตเจ้ า, จาทั้งหลายท่านก็บรรลุโดยอริยมรรคทั้งนั้นเป็นทางไปสู่พานิพานโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางนิพานมันเป็นทางไกลแต่เมื่อเราเดินบนเส้นทางแล้วมันก็สัมผัสผลระดับไปยระดับหนึ่งเราอาจจะไม่ถึงไม่ทำบาปทั้งปวงแต่ว่าลดบาปลงไปโดยลำดำับจิตใจก็มีความสะอาด ทำให้กายเป็นสะอาดทำให้วาจาสะอาดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนติดต่อธุรกิจการงานมันจะก่อให้เกิดการสร้างสรคงการประสานประโยชน์การเอื้อทรการห่วงใยกันเป็นการผูกน้ำใจของการรายการไว้ช่วยการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมต้องสอนในรูปการทำกุศลให้สมบูรณ์ ว่ากุศลในสมบูรณ์จุดนี้เนื่องจากมันมีการทำจิตได้ผ่องแผ้วไว้ในตอนหลังกุศลระดับนี้จึงไปอยู่แค่ระดับตัวสมาธิที่สูงสุดก็คือฌานเราถือว่าเป็นเรื่องสูงสุดแล้วมันเหมือนกับข้อความที่ทรงแสดงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอนเนินชาคำว่าบุญ คำว่าบาปก็หมายถึงบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยอำนาจของกิเลสการทําการพูดโดยอำนาจของกิเลสพอบุญก็กรอบของบุญมันก็มาอยู่แค่บุญกุศลทั้งหลายมีทานมีศีนี่เป็นพื้นพอมาถึงอเนเชาก็พูดถึงระดับของอรูปฌานแสดงคําสอนตนนี้ไม่ได้พูดถึงนิพพานพูดระดับตรงนั้นเท่า น, นั้นเอง และการทำกุศลสมบูรณ์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มปูนขึ้นไปโดยลำดับบางครั้งแรงกระแทกไม่แรงทนได้ผมได้ห้ามใจได้อดกรั้นอดทนไว้ได้แต่ถามเมกิเลสยังมีไหมมันก็ยังมีแต่มีไม่พอจะใช้หรือไม่พร้อมที่จะใช้เพราะมีสติปัญญายับยั้งชั่งใจยวรังใจเอาไว้เป็นแนวความคิดในด้านต่างๆ พิจาเรียกว่ามนโนธรรมสำนึกบางครั้งมันเกิดเป็นรูปของมนโนธรรมสานึกขึ้นมะาบางครั้งอาจจะพูดถึงความเป็นลูกหลานของสกุลพูดดีที่ปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนมาดีถ้าทาแล้วมันเป็นความเสื่อมเสียแก่วงสกุลเราก็ไม่ทาบางครั้งการศึกษาของเราสูงขึ้นมีความรอบรู้สูงขึ้น การกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่คนที่มีการศึกษาระดับเราเราก็ไม่ทำถ้าไม่กิเลสมีไม่มันก็มีแต่ว่าอยู่ในจุดที่คุมได้บางง้างก็มองที่อายุของตนทังเพิ่มขึ้นอายุมากขึ้นเรื่องบางเรื่องเด็กทำแล้วดูกว่าน่ารักดีแต่ผู้ใหญ่ไปทำแล้วก็ไม่เหมาะไม่ควรเราก็อายุมากแล้วก็งดเว้นเองไม่ทา บางครั้งอาศัยจิตที่มีการฝึกปลือมาดีอดกลั้นอดทนท น, ทนทานต่ออารมณ์ที่มาก็อวรด้วยยวนด้วยประการต่างๆมีความหนักแน่นแต่หนักแน่นระดับทั่วๆไปหมายความว่าถึงจุดหนดึ่งก็อาจจะถูกโยกย้อนว่นไหวได้แต่ถ้าระดับอารมณ์ปกติธรรมดามันก็ไม่มีปัญหาอะคล้ายๆคนที่สร้างบ้านเรือนเอาไว้ในพื้นที่ค่อนข้างโลง่ง ลมธรรมดามันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรได้เกิดเจอโทนาโดเข้าเจอพายุไต้ฝุ่นเกยเข้ามันก็เอาไม่อยู่นั่นคือการปฏิวัติระดับกุศลที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ก็อยู่บนเส้นทางของป ร, ริยัตการละบาปก็ดีการันเป็นบุญก็ดีที่จริงจิตก็พองแผล่ขึ้นไปโดยธรรม ด, ด์เพราะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่จิต เป็นเกียรตนาเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจในการละบาปในการมันเป็นบุญในการทำจิตได้ผ่องแผวเพราะงั้นที่จริงสิ่งเดล่านี้มันก็เกิดก็เกิดด้วยกันทุกครั้งที่ละบาปก็หมายความมากุศลเพิ่มขึ้นจิตก็ผ่องแผ่ขึ้นมังมาปีิการขัดภาชนาะทุกครั้งที่ขัดสนิมก็สึกกรอดไปความสะอาดก็เพิ่มขึ้นในจุดนั้น ปริมาณความสะอาดก็แพ่ขึ้นไปเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้งสามอย่างเ น, นื่องจากเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าจึงมีวิธีการในการสั่งสอนค่อยๆฝึกปรืออบรมกันไปโดยลำดับข้อสำคัญว่าอย่าตกจากทางของประิยะที่ท่านบอกว่าให้อยู่ในทำนองครองธรรมเท่านั้น และผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถสัมผัสได้โดยใจตนเองตามสมควรแก่เหตุที่ประกอบประดมลงไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป